อันเนื่องจากสภาพนอนหงายเหยียดยาวของเบลมีแผ่นหลังราบกับพื้นต้าวทั้งสองตึงตั้งเชิดชันขึ้นทำให้มองเห็นส่วนด้านล่างของถันซีขวามือได้โดยไม่ถูกก้อนเนื้อนั้นคล้อยลงมาปิดไว้แผลราวกับคมมีดกรีดเฉือนเป็นเส้นทางยาวปรากฏอยู่ด้านใต้ยาวประมาณสามนิ้วครึง่งเป็นแนวเหมือนจะเชื่อตัดพุ่มพวงก้อนนั้นออกไป ด้วยมือของมนุษย์ประเภทซาดิสเพียงแต่ว่ามันได้ถูกยับยั้งไว้ได้ทันการก่อนที่จะลงคมมีดเข้าไปได้มากกว่านั้นเท่านั้นรูหิตยังไหลรินออกมาป ร, มปริมปริมเป็นระยะและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดระพินเลื่อนตะเกียงอันเป็นกลักแบตเตอรี่แห้งเข้ามาใกล้เพื่อให้เห็นถนัดยิ่งขึ้นและใช้ไฟฉายประจำตัวจี้เข้าไปอีก เพื่อสำรวจสภาพบาดแผลให้แน่ชัดทุกครั้งที่เบนหายใจสวงอกกระเพื่อมขึ้นลงเลือดเป็นลิ่มลิ่มทะลักออกจากรอยแผลทางยาวนั้นมือของจอมพรานเริ่มสัน่นเขาจะต้องลงมือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเดี๋ยวนี้เพราะสภาพที่ตรวจพบมันจัดว่าเป็นบาดแผลค่อนข้างฉกันและเลือดไหลไม่ยอมหยุด แต่เขาจะทำอย่างไรดีในภาวะเช่นนี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องจัดการห้ามเลือดไว้ก่อนทว่าตำแหน่งของบาดแผลบนเต้านมด้านล่างมองไม่เห็นทางเลยว่าจะใช้วิธีห้ามเลือดได้ยังไงเขารู้จักสมุนไพรอันศักดิ์ยิ่งในการพอเข้าไปเพื่อห้ามเลือดได้อย่างชงัดแต่ในเวลาขณะ น, นี้เขาจะไปหามาได้จากไหน หันขวับไปทางกล่องอลูมิเนียมสําหรับปฐมพยาบาลของเบลเองที่วางอยู่ข้างๆคว้าหมับขึ้นมาตรวจดูแต่แล้วก็เ ม, ม้นริมฝีปากแน่นมืดแปดด้านไปหมดลักษณะของยาแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกับยาในท้องตลาดที่เขาเคยเห็นเคยใช้แต่ละชนิดดูเหมือนจะใช้สีและตัวอักษรย่อที่ประทับอยู่เป็นรหัสทั้งสิ้นไม่อาจบอกได้ถูก ว่าชนิดใดใช้ในวัตถุประสงค์ใดก็คงจะเป็นเจ้าตัวเองเท่านั้นหรือฝ่ายนายจ้างอเมริกันเท่านั้นที่จะรู้ได้เขาพบเข็มและเอ็นสำหรับเย็บบาดแผลอยู่ในซอกหนึ่งของกล่องนั้นด้วยคว้าขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังลังเลไม่กล้าที่จะกระทำอะไรลงไปเพราะไม่มีความรู้ในทางแพทย์ลึกซึ้งมาก่อนเบเบ้ เขย่าแก้มของหล่อนเบาๆพร้อมกระซิบเรียกอเมริกันสาวคงนอนนิ่งหายใจรวยๆอยู่เช่นนั้นหลอนไม่กระดิกกระเดียนหรือแสดงอาการว่ารับรู้ในการเรียกอย่างรุ่มร้อนของเขาเลยลักษณะเป็นลมหมดสติไปแล้วไม่ว่าเขาจะพยายามเรียกซักเท่าใดหล่อนก็คงไม่รู้สึกตัวอยู่เช่นนั้นแม้กระทั่งฝ่ามือแผ่วเบาของเขาที่แตะมายังเต้าข้างนั้นแล้วเลิกเสยขึ้นไป เพื่อจะตรวจ ด, ดูความลึกของบาดแผลเพียงแค่ผลักฐานข้างนั้นให้พเพย์เอนสูงไปด้านบนเท่านั้นก็มองเห็นไขมันสีเหลืองออกมาจุกตามรอยแนวแผลที่ถูกบาดลึกนั้นรพินริ่มหันไปมาอย่างกระสับกระส่ายเบียเบียโปรดเถอะถ้าคุณยังพอรู้สึกตัวได้ยินเสียงผมอยู่บ้างพูดกับผมสิ อิบายให้ผมรู้ว่าผมควรจะทำยังไงกับแผลใต้อกของคุณ ม, มันลึกมากนะคุณแล้วเลือดก็ไม่ยอมหยุดด้วยระพินพูดกรอกเข้าไปในช่องหูของหล่อนผู้ไม่มีอาการขยับขยื้อนไหวต็งเลยเว้นไว้เสียแต่ลมหายใจที่ยังมีอยู่เท่านั้นระหว่างที่ยังภาวะพวังทำอะไรไม่ถูกอยู่นี้ทรายใหญ่ก็แทบสะดุ้งขึ้นสุดตัว เสียงออดเรียกจากวิทยุรับส่งขนาดจิ๋วดังขึ้นพร้อมกันทั้งสองเครื่องทั้งเครื่องที่เนบเอลเขาอยู่และเครื่องของเบนที่อยู่ในเป้หลังของหล่อนซึ่งวางอยู่ใกล้ๆมันดังทีทีอยู่เป็นระยะระยะนั่นหมายความว่าพักพวกคนใดคนหนึ่งทางฝ่ายโน้นได้พยายามกดคีย์เรียกมาแล้วและกระแสคลื่นเข้ามาบังคับให้เกิดเสียงออดสัญญาณขึ้นแม้ว่าวิทยุของเขาและเบลจะอยู่ในภาวะปิดสวิตไว้ก็ตาม ครรภใหญ่ได้สติและเฉะลียวคิดขึ้นมาได้ในทันทีนั้นถูกแล้วเขาต้องการติดต่อกับฝ่ายโน้นโดยเร็วที่สุดในทันทีที่ตนเองอยู่ในที่ปลอดภัยพอสมควรแล้วแต่ก็มาโมวุ่นวายกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าอันเกิดจากความบาดเจ็บของอิเสเบลซะก่อนจนทําให้ลืมเครื่องมือการติดต่อซะอย่างสนิทกระทั่งทางฝ่ายโน้นเป็นฝ่ายกดสัญญาณเรียกหามาเอง ระพินคว้าเครื่องของเบนที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมาทันทีเปิดสวิตขึ้นแล้วกรอกคาพูดลงไปเร็วปรือจากระพินครับจากระพินผมได้รับสัญญาณเรียกแล้วครับถ้าได้ยินเสียงผมตอบด่วนครับเราได้ยินเสียงคุณชัดเจนพอสมควรระพินขอทราบขณะ น, นี้คุณกับเบนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเสียงเหฮาเฮารนรนพอกันที่ดังอ้าวออกมาจากลําโพง ในตัววิทยุรับส่งขนาดเล็กชนิดมือถือเป็นเสียงของด็อเตอร์สแตลลีหัวหน้าคณะผมก็แเบนอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับขอทราบก่อนว่าทางด้านคุณเป็นยังไงบ้างครับจอมพานพูดเร็วปือเราทุกคนทางด้านนี้ปลอดภัยเรียบร้อยดีพอสมควรแล้หลักคุณไอกองทัพมานรนรกแตกกระจายไปหมดแล้วผมและลูกหาบของคุณสองสามคนถูกมันกัดนมั้งก็ไม่สาหัสอะไรนักหรอกและเราก็มียาที่จะป้องกัน โรคพิษกลัวน้ำของมันพร้อมนอกนั้นก็เรียบร้อยดีทุกคนเราทั้งหมดยังแขวนอาศัยกันอยู่บนกิ่งไซใหญ่เนี่ยยังไม่กล้าลงดีครับดีครับเดี๋ยวเพิ่งลงมาอยู่บนอยู่บนนั้นก่อนอีกสัก15ห้ารือ20นาทีทั้งสองฝ่ายพูดจาตอบโต้กันอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะทางด้านระพินลิ้นรัวพันกันและบางประโยคจากความรีบด่วนทาให้เขาพูดเยอรมันออกไปเพราะความพลั้งเผลอ เกิดจากอาการเร่งร้อนแต่ก็ไม่มีปัญหาทางด้านนายจ้างอเมริกันของเขาเข้าใจดีระวังเรื่องไฟป่าไว้ด้วยนะครับดูให้ดีมันลุกลามใกล้ต้นไทรก็มาหรือเปล่าถ้าเห็นท่าไม่ดีนะช่วยตัวเองอย่ายถูกเผาทั้งเป็นจากระเบิดเพลิงของพวกคุณเองล่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นผู้ตอบมาเร็วหรือในครั้งนี้เป็นเสียงของคิดไฟไหม้ป่ารอบตัวเราก็จริง แต่มันอยู่ในรัศมีห่างเกินกว่าที่จะลามมาติดที่นี่ที่เราขึ้นมายึดอาศัยอยู่ได้นะอีกสักชั่วโมงชื่ ว, ว่ามันคงจะมอดดับแต่ทางคุณน่ะเป็นไงมั่งเอาละขอทราบเพยียงเท่านี้ก่อนรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้ผมขอติดต่อคริสด่วนที่สุดคริสขณะนี้ผมต้องการพูกร้กักคุณเสียงประโยคหลังของเขาแทบเป็นตะโกนใน ล, ล่ํา ล, ล์กคริสพูด มีไรด่วนเลยรับินเสียงแหลมของแม่นักเคมีฟิสิกดังสวนตอบมาทันทีสแสดงว่าหล่อนก็เปิดวิทยุรับฟังการติดต่อมาตั้งแต่ต้นคุณอยู่ที่ไหนอะอยู่กับพักพวกเราทุกคนบนต้นไสใช่ไหมใช่เราทุกคนกลายเป็นฝูงลิงอยู่บนต้นไม้ที่ช่วยชีวิตเราต้นนี้แหละคุณทางนั้นคริสฟังดีๆนะผมจะพูดช้ า, ชา ระพินพยายามระ ง, งับความตื่นเต้นกระวนกระวายใจบังคับเสียงให้เป็นปกติตาจับนิ่งอยู่ที่ใบหน้าอันซีดเซียวตาปิดสนิทของเบลซึ่งนอนงายเปิดอกไรอยู่ตรงหน้าฟังนะคุณขณะ น, นี้เบลนอนหมดสติอยู่ตรงหน้าผมไม่ได้รับอันตรายจากฝูงหมาป่าหรอกแต่บาดเจ็บผมคิดว่าค่อนข้างสาหัสทีเดียว เขาโดนอะไรเป็นยังไงมัง่งบอกเรเร็วคราวนี้ฝ่ายโน้นถามพรวดพร้อมๆกันเกือบจะเป็นเสียงเดียวมันมีทั้งสเตนลีย์คีทเชิดบุตและคริสติน่าระหว่างที่เราวิ่งหนีมาด้วยกันเข้าใจว่าเบลคงจะถูกปลายหนามแหลมคมขนาดใหญ่หรือไม่งั้นก็เป็นแง่หินคมบาดเฉือนหน้าอกบริเวณเต้านมซีกขวาด้านล่างเลือดออกไม่หยุด และขณะนี้ก็เป็นลมหมดสติไม่รู้สึกตัวล้วคงเป็นเพราะเหนื่อยมากแล้วก็อ่อนเพลียจากการเสียเลือดขณะนี้เลือดยังไหลไม่หยุดผมไม่มีปัญญาที่จะห้ามเลือดหรือจัดการยังไงได้อ่ะมีเสียงร้องแซดมาจากทางฝ่ายนายจ้างของเขาทางด้านโน้นอย่างโนกแล้วเสียงชัดเจนของคริสก็ดังถามมาว่าขณะนี้คุณกระเบนอยู่ที่ไหนล่ะอย่าเพิ่งถามในข้อนั้นเลย ถึงยังไงคุณก็ยังเดินทางมาที่นี่ตอนนี้ไม่ได้ผมขอสั่งให้ทุกคนอยู่บนต้นไม้นั่นก่อนอย่าได้ลงมาเป็นอันขาดเพราะอันตรายยังแวดล้อมอยู่ทุกขณะขอย้ำนะว่าทุกคนจงอยู่บนต้นไม้นั่นก่อนและให้ระวังเรื่องไฟป่าจะลามมาคลอกขณะนี้ผมเพียงแต่ต้องการคำแนะนำในด้านปฐมพยาบาลจากคุณก่อนเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามเลือดไว้ก่อน ถ้างั้นบอกลักษณะของบาดแผลสิระพินเสียงคริสติน่าเครียดเต็มไปด้วยความกระวนกระวายชัดเหมือนคมมีดบาดรอเฉือนเป็นทางยาวประมาณสามนิ้วครึ่งต่ำกว่าระดับหัวนมลงไปราวสามนิ้วกว้างราวสองมิลลลึกเท่าไหร่ไม่ทราบเพราะมีไขมันออกมาจุกเลือดยังไหลออกตลอดเวลา รพินเป็นแผลเรียบหรือแผลขาดเบอร์วะกระรุ่งกระริ่งละ่ะคริสซักต่อมาโดยเร็วชนิดที่เขายังไม่ทันจะบอกจบประโยคซะด้วยซ้ำเป็นแผลเรียบเหมือนถูกมีดกรีดแต่มีรอยช้ำ ม, มากที่ปากบาดแผลตอนนี้ยังไม่ได้สติเลยเหรอไม่รู้สึกตัวเลยก่อนหมดสติไปเขาบอกแต่เพียงว่า รู้สึกชาไปหมดทั้งตัวถ้างั้นก็ค้นที่ย่ามหลังประจำของเบน่ะคุณจะพบชุดปฐมพยาบาลขนาดกระเป๋ามันจุ อ, อยู่ในกล่องอลูมิเนียมผมพบแล้วขนาดนี้มันเปิดอ้าวางอยู่หน้าผมเนี่ยเอาละ่ะถ้งงั้นฟังให้ดีนะคุณฉันจะพูดช้าๆเช่นกันถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามซ้ำมานะครับกำลังฟังอยู่ครับ ขวดพลาสติกสีขาวอ่ะรหัส x สองกลิ่นคล้ายๆน้ำยาทาหลังโกนหนวดนั่นคือยาฆ่าเชือ้อพบแล้วแล้วก็เอามาใช้แล้วด้วยต่ บ, บาดแผลเล็กน้อยส่วนอื่นก่อนที่เบนจะหมดสติไปดีมากดีมากคราวนี้คนด้ดีนะใจะเย็นๆคุณจะเห็นหลอดพลาสติกเล็กๆสีขาวเหมือนกันแหละหมายเลขรหัส x สาม พิมพ์ด้วยตัวสีดำเห็นชัดะบินฉายไฟลงไปในกล่องเวชพันธ์ค้นหายอย่างรวดเร็วอึดใจก็พบตามคำสั่งทางเสียงวิทยุบอกนั้นโอเคพบแล้วในนั้นนะเมื่อแก่ฝาที่ซีนไว้ด้วยอลูมิเนียมออกข้างในจะบรรจุผงละเอียดสีขาวเหมือนแป้งนั่นละผงยาห้ามเลือดคุณได้ยินที่ฉันพูดหม ได้ยินครับชัดเจนเชียวต่อไปครับคุณก็เอาสำลีแต่ยาฆ่าเชื้อให้เกิดความชื้นสำลีใช้ปากขีดเล็กๆจับไว้อย่าใช้มือคุณซึ่งไม่สะอาดพอแล้วสำลีนั่นแต่กระผงยาห้ามเลือดค่อยๆซับไปให้ตลอดแนวแผลพยายามอัดตัวยาเข้าไปตามรอยแผลให้มากที่สุดครั้งแรก เลือดจะซึมผ่านตัวยาออกมาก่อนแต่ภายในสองนาทีเลือดจะแข็งตัวแล้วก็หยุดสนิทจาัด ก, การตามที่บอกนี่ก่อนสงสัยยังไงก็ให้ถามทันทีครับทราบจะปฏิบัติเดี๋ยวนี้ครับระพินดำเนินการอย่างฉับพลันตามคำสั่งจากคริสติน่าโดยผ่านวิทยุรับส่งนั้นทันที ฝ่ายน้นก็เงียบกันไปชั่วขณะเหมือนจะรอฟังข่าวคืบหน้าจากเขาโดยยังไม่พูดหรือส่งคำถามใดๆมาสองสามอึดใจใหญ่ต่อมาทุกอย่างก็เสร็จสิ้นลงตามข้อแนะนำของคริสตัวยาห้ามเลือดสักสิ่งยิ่งบัดนี้เลือดทิทะลักออกมาเป็นลิ่มๆใต้ถันของเบลเกาะตัวแข็งแล้วตรงบริเวณบาดแผลและหยุดไหลอีกต่อไป กระพินเตัวยานั้นไปแต้มที่บาดแผลตรงโคนขาของเบลอีกแห่งหนึ่งเพราเห็นว่ามันยังซึมโชกพลาสเตอร์ที่ปิดไว้ชั่วคราวนอกนั้นไม่มีแผลเลือดออกมากนัก น, นอกจากถลอกเลือดซิบซิฟเท่านั้นและมันก็หยุดไปเองเมื่อพลาสเตอร์สกัดไว้ระหว่างที่เขายังง่วนอยู่นั้นทางโน้นคงจะร้อนใจทนอยู่ไม่ไหวภายหลังสองนาทีผ่านไปดรสแตนลีย์จึงถามมาอย่างกระวนกระวายว่า เป็นไงบ้างระพินครับเรียบร้อยครับตอนนี้เลือดหยุดแล้วครับตัวที่ประจรเป็นไหมระพินเสียง ข, ข, ขึ้มขึ้มของคริสถามมาอีกพอตัวได้ครับเอาละถ้างั้นจับที่ประจรแล้วแวราย ง, งานให้รู้ไม่ต้องจับแช่ตลอดทั้งหนึ่งนาทีให้เสียเวลาเรากคุณเอาเพียงแค่สิบห้าวินาทีแล้วสี่คูณแล้วกัน พลานใหญ่ผู้กลายเป็นหมอจำเป็นเรียนจากคําสั่งทางอากาศเอื้อมมือไปจับมือขนเจ็บทันทียื่นนาฬิกาเดินป่าของเขาเข้ า, ขาไปที่ตะเกียงแบตเตอรี่ไม่ถึงอึดใ จ, จก็รายงานไปว่าประมาณห้าสิบสองหรือห้าสบสามครั้งต่อนาทีครับแต่ได้ระดับสม่ำเสมอดีชีพะจรเต้นชาไปเบนสลบไปแล้วอาจจะเป็นเพราะเสียเลือดมาก เสียงคลิกร้องลั่นออกจากลำโพงวิทยุที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวแล้วแล้ใจผมทำยังไงต่อไปละเนี่ยนี่คุณใจจริงฉันแล้วนะฉันต้องการไปถึงคุณและเบลเดี๋ยวนี้ซึ่งมันก็น่าจะเป็นไปได้โดยให้บุญคำนำไปคงจะไม่ผิดทางหรือสีเวลามากนักเพราะมีวิทยุที่จะเรียกสอบทิศทางกันได้อยู่แล้วแต่คุณก็ห้ามฉันไว้อะอย่าพยายามบุกบั่นมาที่ผมในตอนนี้เปน็นกานขาดชนะ ถ้าคุณยังไม่อยากฆ่าตัวตายนี่ยเขาบอกออกไปอย่างเฉียบขาดถึงผมไม่ใช่หมอผมก็แน่ใจว่าเบนจะไม่เป็นอะไรอยากการหยุดเลือดไว้ได้แล้วเช่นนี้ผมไม่สายเกินไปหรอกคุณบอกมาแล้วกันว่าผมจะทํายังไงต่อไปได้อีกบ้างเพื่อเป็นการช่วยเพื่อนคุณให้มากกว่านี้ถ้าเป็นไปได้ผมต้องการเย็บบาดแผลของเบนนะบ้าทีค่คุณเนื้อคนนะไม่ใช่ผ้าร อ, รองเท้าที่คุณจะเย็บได้ง่ายๆ ต่อให้คุณเย็บแล้วฉันก็ต้องเลาะแอลอ อ, ออกแล้วก็เย็บใหม่อยู่ดีอะ่ะเมื่อฉันไปถึงสําคัญว่าเลือดหยุดแล้วก็เป็นใช้ได้แล้วต่อให้ฝีมือเย็บจะประนีดสักขนาดไหนเพื่อนของฉันก็เสียโฉมไปแล้วอะ่ะในร่างกายส่วนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเขากระพินหัวร้องเฮ้ย <c oughs> คุณเสียโฉมที่นมนยังดีกว่าเสียฉมที่หน้านะคุณแล้วก็เสียโฉมที่ไหนมันก็ยังดีกว่าต้องฝังเพื่อนคุณไว้กลางป่า เอาล่ะไม่เย็บก็ไม่เย็บทูเบนนมฉีกใชล้วเสียงครางเป็นภาษาไทยของเชิดวุษแววมาจากลำโพงวิทยุระพินจุปากลั่นอย่ารรบกังบุญไปเลยนาะคุณบุษนมฉีกมันยังดีกว่าอย่างอื่นฉีกแล้วมันก็ซ่อนอยู่ข้างใต้เวลายืนจะมองไม่เห็นหรอกนอกจากคุณจะเลิกขึ้นเรื่อหล่อนนอนหงายเท่านั้น จะตายหากันหมดทุกคนแล้วยังบ่นอะไรไม่เข้าเรื่องคุณอะนะในพี่เองอะเป็นไงมัง่งเชิดบุญเพิ่งจะมีโอกาสได้พูดกับเขาผมนะ่ะไม่เป็นอะไรหรอกคุณเพียก็วิ่งเล่นห้อยแต่นั้นแหละไม่ได้หลบไอ้หมาเวยพวกนั้นหรอกแต่หลบระเบิดกรลูกปืนของฝ่ายพวกคุณน่ะซัด ก, กันมั่วแล้วกันไม่ดูทิศทางกันมั่งเลยเนี่กรุณาอย่าเพิ่งพูดแทรกอะไรตอนนี้เลย ผมคิดว่าคริสคงจะมีธุระสำคัญที่จะพูดกับผมว่ามาคริสมีอะไรที่จะให้ผมต้องปฏิบัติต่อมั่งนะเนี่ยฉันว่าคุณจูบเจ้าหญิงนิทราสักหน่อยไปไงบางทีอาจจะฟื้นรู้สึกตัวขึ้นได้นะนี่คุณผมไม่มีอารมณ์ขันกับคุณในขนาดนี้นะแล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่จะรับกับเสียงกระแทกแดกดันประชดประชันของใครอะ เพื่อนคุณอาจจะตายก็ได้ถ้าคุณมัวแต่เหน็บแนมอะไรอยู่สำหรับผมนะผมไม่ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนฝ่ายคุณเข้าใจไว้ซะด้วยน้ำเสียงของเขาเขี่ยมเกรียมกระด้างมีเสียงของด็อร์สแตนลีย์บ่นพึมพมต่อว่าอะไรคริสอยู่ฟังไม่ได้สับแว่ออกมาแล้วต่อไปก็เป็นเสียงเครียดขงของคริสติน่าพูดมาว่าคุณฉีดยาเข้าเส้นเลือดเป็นไหม ก็คิดว่าพอเป็นน่ะจะเคยหรือเปล่าเล่าเคยฉีดให้ตัวเองแล้วก็พวกชาวบ้านป่าทั้งหลายถ้าจำไปน่ะทั้งนั้นก็ตรวจในกล่องเวชภัณฑ์อีกครั้งแล้วกันเป็นคำสั่งของคริสติน่าที่กลับไปจริงจังระมัดระวังเหมือนเดิมใช้เข็มเบอร์เล็กที่สุดส่วนตัวยาก็ดูที่แผงด้านที่บรรจุหลอดยาฉีดไว จะเห็นหลอดเล็กๆอยู่ในช่องเรียงอยู่สี่ห้าหลอดเห็นป ะ, ะฟังให้ดีนะเลือกเอาหลอดที่มีรหัส V12 ในนั้นบรรจุอยู่เพียงแค่สองซีซีก่อนและหลังใชา้ ย, ยาข่าเชื้อเช็ดผิวหนังซะก่อนนะคุณนี่คุณทะเบียนเป็นอะไรลงไปเพราะการสั่งผิดของคุณน่ะผมไม่รับรองนะคุณ ก็ถ้าคุณใช้ยาไม่ผิดประเภทเบนก็จะไม่เป็นอะไรหรอกหรือถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ต้องฉีดวีสิบสองนะเดินตัวยาช้าๆถูกต้องไห ม, มถูกต้องบอกให้ทราบนิดได้ไหมมันช่วยอะไรเบรด้านไหนก็จะช่วยเบนมีแรงฟื้นขึ้นมารีดซีเมนต์ของคุณออกมาได้ยังไง ไปด้วยกันกลางป่าปลอดสายตาใครสองต่อสองแล้วไม่ใช่เหรอประโยคหลังคริสติน่ากระแทกเสียงมามีอะไรบางสิ่งบางอย่างซอชัดอยู่ในคำพูดและน้ําเสียงนั้นกระพิงยักไหล่นิดนึงไม่สนใจต่อลาะต่อเถียงอะไรกับอารมณ์ลึกลับของคริสตินา่าซึ่งนานๆนนจะได้พบสักครั้งต่อจากนั้นหมอจำเป็นก็ดำเนินการต่อไป เขาใช้เวลาเพียงไม่เกินสามสนาทีก็จัดการฉีดยาให้แกเบนเสร็จแล้วไม่ได้รายงานใดๆไปยังฝ่ายตรงข้ามอีกค่อยๆช้อนประคองศีรษะของแม่ผมแดงผู้บัตรนี้กลายเป็นผู้น่าสงสารไปซะแล้วภายใต้การปกปักพิทักภัยของเขาสอดเป้ของตนเองเข้าไปเพื่อหล่นหนุนศีรษะรูดซิปเสื้อของหลอนขึ้นปิด อ, อกไว้ให้ตามเดิมแล้วคลุมไว้ด้วยแจ็กเก็ตชั้นนอก แต่ไม่กลัดขอบบราเซียให้เพราะมันจะทำให้อกของหล่อนถูกบีบบังคับตึงเกินไปพลักออกมานอกถ้ำฉายไฟค้นหาเศษกิ่งไม้และเาถาวันแห้งๆหอบเข้ามาก่อไฟขึ้นเป็นกองเล็กๆพอได้อาศัยไออุน่นจากนั้นก็ลงนอนเหยียดขายาวหลับตาลงพร้อมกับระบายลมหายใจ คือ่านจะเป็นเพราะเขาเงียบไปนานทั้งๆ ท, ที่ต่างฝ่ายต่างเปิดวิทยุสแตนบายอยู่เสียงด็อร์สแตนลีย์จึงดังถามมาอีกระพินทำไมเงียบไปแบบนั้นล่ะได้ยินผมหรือเปล่าถ้าได้ยินตอบด้วยนะเมื่อเขายังเฉยอยู่เสียงนั้นก็เรียกระทนัน ท, ท, ท, ทีมาอีกจอมพรานเอื้อมือไปคว้าวิทยุอย่างอิดโรย ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับทางด้านนี้เบนกำลังหลับสนิทผมเองก็เพลียเต็มทีแล้วเหมือนกันอยากจะขอ ง, งีบสักนิดครับเฮ้ฮันเตอร์อยู่สบายจริงนะมีสถานที่พอจะงีบได้ในขณะที่พวกเราทางด้านนี้กำลังแขวนเป็นลิงอยู่บนต้นไม้ทุกคนน่ะเสียงนายคีดวย่วายมาฮ <c oughs> ึอย่าเสือกหลับพะละดตกลงมาเสียก็แล้วกันในบรรดาลิงทั้งหลายอะ่ะ เต็ตอบออกไปด้วยน้ำเสียงเป็นปะกะติขึ้นกระพินบอกพวกเรามาตามตรงดีกว่านอกจากเบรแล้วตัวคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นเสียงถามมาอย่างห่วงใยของอเมริกันอาวุโสหัวหน้าคณะถ้าผมเป็นอะไรก็แปลว่าพวกคุณจะไม่รอดกันสักคนเดียวอย่าห่วงเลยด็อร์ว่าแต่ไฟจากระเบิดเพลิงที่มันล้อมรอบแคมป์ไปหมดขนาดนี้เ มันมีทีท้าว่าจะโซมลงมั่งหรือยังไม่ต้องห่วงทั้งนี้หรอกกระพินมันลุกอยู่ในวงจำกัดในแต่ละแหง่งแล้วก็กำลังจะมอดลงแล้วคงไม่ถึงต้นไม้ที่เราอาศัยอยู่หรอกดีครับเอาเป็นว่าดูแลความปลอดภัยในทุกด้านของพวกคุณไปเองก่อนแล้วกันเราคงไม่ได้พบกันแน่จนกว่าตะวันขึ้นถึงยังไงพราของผมทั้งสี่คนใน ล, ลูกหาบทุกคนก็ยังอยู่เป็นเพื่อน ช่วยแก้ไขสถานการณ์อะไรที่มันอาจจะเกิดซ้ำขึ้นมาได้อีกแล้วก็ขอให้คุณหมอคริสผู้ซึ่งกรมการแพทย์รกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐคงจะคืนใบประกอบโรคศีลให้ได้แล้วยังช่วยพวกถูกหมาพวกนั้นกัดหรือถูกน้ำลายของมันไว้ด้วยอย่าให้ใครต้องตายด้วยโรคกลัวน้ำในระยะทางข้างหน้าแล้วกันนี่คุณผู้ใดพาดพิงมาถึงฉันฟังไม่ถนัดพูดใหมส่สิคริสถามมาในทันที เปล่าไม่ได้ว่าอะไรหารอกเพียงจะบอกว่าผมน่ะไว้วางใจในความรู้ทางแพทยศาสตร์ของคุณมากกว่าหมอเบลซึ่งนอนแง้งแมงอยู่ใกล้ๆผมในขณนะนี้ซะอีกทุกคนทางโน้นคงสนุกกันพอสมควรนะสำหรับคืนนี้นั่นสิแล้วคุณกับเบลล่ะสนุกไหมมันก็สนุกเกินขี่สมควรไม่มากล่ะเราถูกม่านระเบิดเพลิงสกัดกั้นไว เหมือนจะไล่ออกมาเป็นเหยือกระสุนปืนที่ยิงกันอย่างไม่ระมัดระวังข้างนอกไอ้ผมนั่นไม่ได้รายรอ้องสงสารก็แต่เบนเท่านั้นแหละหลายสิบนัดเฉียดเธอไปอย่างบุบบิดเฮ้ยมาต่อว่าอะไรกันในเรื่องนี้ตอนนั้นมันชุนลมุนไปหมดก็ดีแล้วล่ะที่นายตามเบนออกไปและช่วยไว้ได้ทันก่อนที่เบนจะเหลือแต่กองกระดูกคิดพูดมาบ้างบนหัวเราะ ความตื่นเต้นตกใจทั้งหลายดูจะสางซาลงแล้วซ้ำยังมีเสียงเบาๆของคริสเนบมาอีกว่าอ๊ะเดี๋ยวนี้รู้จักสงสารเบนขึ้นมามั่งแล้วเหรออ้นะเอื้อมมือไปลูปคำตัวแม่มสาวผู้นอนสงบอยู่ใกล้ๆเรานอนท่าไหนก็คงอยู่ในสภาพนั้นคำที่ประจรก็รู้สึกว่าเต้นดีขึ้นจากยาที่ฉีดเข้าเส้น ระหนักแน่อยู่แก่ใจดีว่านับจากวินาทีแรกที่เริ่มติดต่อกันทางวิทยุได้ระหว่างเขาก็ฝฝายนายจ้างส่วนใหญ่อันขณะนี้ยังคงอยู่ในบริเวณแคมป์ที่พักพวกนั้นจะต้องพยายามสอบถามทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาชนิดไม่ยอมเลิกง่ายๆแน่และการเงียบเฉยหรือไม่ส่งข่าวใดๆให้กระจ่างแก่คนเหล่านั้นย่อมเท่ากสร้างความกระวนกระวายให้พวกนั้นยิ่งขึ้น เท่าๆกับที่ตัวเขาเองก็ต้องการจะทราบถึงความเป็นไปทางฝ่ายโน้นเช่นกันขณะนี้โดยสภาพการทั้งฝ่ายเขากระเบนที่หนีตะลิดภัยจากฝูงหมาป่ามาด้วยกันจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดกับฝ่ายของสเตลีและพักพวกทั้งหมดในแคมป์อันสามารถจะรวมตัวกันอยู่ได้เป็นกลุ่มก้อนต่างฝ่ายต่างก็ปลอดภัยพอสมควรแล้วด้วยกันทั้งสองด้านเพราะฉะนั้น การที่เขาจะถือโอกาสนิ่งสงบเพื่อพักหลับพวกนั้นก็คงจะใช้วิทยุมาซักไยไล่เลียงเอาอย่างชนิดไม่ยอมให้เขายุติการติดต่อแน่ทีเดียวเพราะอย่างน้อยก็มีเบรนติดมากับเขาด้วยในขณะนี้ซ้ําอย่างบาทเจ็บซึ่งทุกคนฝ่ายนั้นก็จะต้องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่กระพินถอนใจยาวอีกตดกระติกน้าขึ้นมาเปิดดึงกล้วกคอเป็นครั้งแรก และควาวิทยุในสภาพครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงหินอยู่ตามเดิมเอาละครับผมขอให้ทุกคนสงบสติอารมณ์ระงับความตื่นเต้นลงได้แล้วขอให้ผมเป็นฝ่ายได้ทราบเหตุการณ์ทางด้านพวกคุณพอเป็นเราเราก่อนบ้างในฐานะที่ขณะ น, นี้ผมไม่ได้ร่วมอยู่กับพวกคุณทั้งหมดด้วยและผมก็ผมก็เป็นห่วงทุกคนไม่น้อยกว่าที่พวกคุณเป็นห่วงเบนและผมอะ จอมพรานพูดช้าๆชัดเจนก่อนอน่นนับจำนวนคนตรวจ ด, ด้วยแน่ชัดอีกครั้งนะครับว่า น, นอกจากขาดผมกับเบแล้วพวกเราอยู่กันครบ18คนหรือเปล่าครบหมดทั้ง18คนละระพินหัวหน้าคณะเป็นคนตอบเข้ามาหมายถึงพรานของผม4คนด้วยใช่ไหมครับแน่นอน เราได้รับความช่วยเหลือจากคนของคุณทั้งสี่อย่างดีที่สุดบุญคำนะ่ะทําหน้าที่แทนคุณได้เข้มแข็งมากและพวกเขาก็เป็นสี่คนสุดท้ายที่ทยอยกันขึ้นมาบนต้นายนี่ภายหลังส่งพวกเรากละลูกหาบทุกคนขึ้นมาจนปลอดภัยหมดแล้วส่วนพวกลูกหาบทุกคนก็มีขีดความสามารถสูงกันทั้งนั้นในด้านการต่อสู้แล้วก็เอาตัวรอดจะมีก็แต่อุท่ากระพะโตเท่านั้นแหละที่ออกจะงุ่มง่ามแล้วก็โง่อยู่สักหน่อย แต่ก็ปลอดภัยดีขณะนี้เราทุกคนก็เป็นห่วงคุณกับเบลมากนะครับผมทราบครับดอกเตอร์แล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ฉุกระหกเหลือเกินในตอนนั้นแลวบังเอิญก็ตอนนั้นเบลวิ่งผิดทิศ ท, ทางด้วยทำให้ต้องหลงพลัดออกนอกวงของพวกเราโชคดีนะครับที่คริสมองเห็นแล้วก็เชียร์ผมติดตามมาขอผมพูกระบุญคาหน่อยครับดอเตอรฝ่าย น, นเงียบไปแค่ไม่ถึงอึดใจ ก็ปรากฏเสียงของบุญคำอู้อีมาจากลำโพงวิทยุนายนายอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่สนใจกับคำถามของสมุนเท่ามือขวาแต่ถามสวนไปเรียบเรียบว่าเป็นไงมากงตะคาก็คงไม่เหลือแม้แต่คนเดียวละนายถ้าไม่ได้แม่สยใหญ่ต้นนี้ช่วยให้เป็นที่พึ่งขึ้นมาแขวนเป็นลิงยัวเยียกกันอยู่บนเนี่ย พวกนายฝรั่งกับนายเชิดบุญดื้อมากเชียวบุญคำต้อนเนี่ขึ้นต้นไม้เท่าไร่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมขึ้นยิงกันจนกระทงกระสุนในปืนหมดกว่าจะไปยิงขึ้นมาได้บุญคําไก้3ตัวนี่เน่ยเหนื่อยแทบใจขาดไม่รู้จะไปยิงพวกมันทำไมเหตุเรืองกระสุนบุญคําก็บอกแล้วว่าข่ามันเท่าไหร่ก็ไม่หมดรอกให้เพนขึ้นต้นไม้ดีกว่าแต่พวกเจ้านายก็เหมือนจะอยากข่ามันให้ได้มากๆา ก, ากตัวอย่างนั้นแหละ ข้ามันมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์แค่เนียวตัวรอดให้ได้ก็ดีแล้วในปางพักนี่พวกมันตายเกลื่อนอยู่เป็นรอยเลยนายข้างนอกออกไปนะยังไม่รู้สักเท่าไหร่เสียงแกบ่นมายาวยืดนี่นอกจากในห้างบ๊อบแล้วพวกเราคนไหนมั่งอะ่ะที่ถูกมันกัดเอาหรือถูกมันกระโจนฟัดถึงตัวก็มีนายไอ้ตาบคนนึงถูกที่นองไอย้ยวงก็โดนก็ที่แขน ไอ้เกลี้ยงก็ถูกงับก้นกุ้งเก่งขาดนะนายแล้วอุทาการะโต้สองคนนั่ะโอ้ยนายไอ้เวนสองตัวนี่ไม่โดนเลยทั้งสองตัวน่ะถูกแมมคริสถีบขึ้นมาบนต้นไม้นี่ก่อนใครเพื่อนเลยแหะนายนี่สอบถามในหมู่พวกเราให้หมดทุกคนสิว่าใครถูกกัดหรือถูกน้ําลายของมันเขมังบางคนอาจยังไม่ได้บอกให้รู้เดี๋ยวบอกให้นายบะ๊ะในายนา ย, นายห้างบอบรู้ไว้ เขาจะได้จัดการฉีดยาให้ฉันเชื่อว่าพวกเขามียาแก้พิษหมาบ้ามาพร้อมแล้วก็ต้องเป็นยาที่ดีมากคงไม่ต้องฉีดกันทุกวันสิบสี่สิบห้าเข็มอย่างที่เราเคยรู้หรอกครับนายขอให้หายใจหายคอสะดวกอีกสักะเดียวเถอะบุญคําจะตรวจด้วยหมดทุกคนเลยบุญคำเองก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวเองน่ะโดนเข้ามั่งหรือเปล่าเพราะมันชุลมุนไปหมดเพียงแต่รู้ว่าไม่มีใครถูกมันขย้ำถึงก็เป็นแผลเวอะหวะสาหัสเท่านั้น พะโดดเข้ามาก็เจอปืนพลิกไปซะก่อนขนาดปากก็บอกปืนน่ะมันยังงักเลยนายโฮย้ยสนุกบรรเลกระสุนเบาไปเยอะอีกคราวเนี้ยคงไม่ต้องแบกหนักกันหลังแออย่างที่แล้วแล้วมาหรอกไม่ยิงถูกกันเองตอนมันตะลุมบอนเข้าถึงตัวในปางพักกันนับประบุญที่สุดแลวละบุญคำว่าแต่ไฟที่มันลุกไหม้รอบปางพักตอนนี้น่ะพอจะซูมลงมั่งหรือยังฉันไม่กลัวอะไรหรอก รัแต่จะถูกไฟคลอกกันเสหมดเท่านั้นแหละพระพินคิดว่าสอบถามออกจากคนของเขาย่อมจะได้ความจริงมากกว่าในเรื่องชนิดนี้พระบุญคำชำนาญมากกว่าฝ่ายนายจ้างยังต้องรอดูอีกสักพักละนายตอนนี้มันยังลุกอยู่ตามพุ่มไม้ตำ่ตำๆพุ่มพงแถวนี้ก็ชื้นแฉะมากถ้าไม่เกิดพายุใหญ่กระโชกมาถ้าไฟยังไม่ลามติดไปบนยอดไม้สู ง, สง บุญคำว่ามันคงไม่ลุกลามไปมากนักหรอกแต่ถ้าไม่ได้ระเบิดไฟของพวกฝรั่งสกัดกั้นไวป่านี้พวกมันก็ยังไม่เพ่นนี้ออกไปรอกลูกปื้อนมันยังไม่กลัวแต่มันกลัวไฟจากระเบิดบุญคำเห็นพวกมันถูกเผาสุดๆแล่นปา่าราบไปหลายสิบตัวไฟงี่ลุกติดตัวไปด้วยตอนที่มันแล่นแฮกปากร่องป่าแตกน่ะนายนี่แน่ใจไหม ว่ตอนนี้พวกมันไปกันหมดแล้วจากบริเวณรอบๆปางทักนายไอ้ที่หลุดเข้ามาถึงปางได้ก็ถูกยิงกริ่งไปหมดแล้วล่ะไอ้พวกที่หนุนกันเข่าไม่อีกเจอม่านไฟดักเข้าก็เลยเปลี่ยนทิศแลนไปทางอื่นหมดแล้วบุญคําว่ามันคงไม่หวนกลับมาที่นี่อีกหรอกระวังทางด้านที่นายอยู่เดี๋ยวนี้ไว้กันแล้วกันมันอาจจะยกขบวนแล่นผ่านไปทั้งนั้นก็ได้นะนาย ทังด้านฉันไม่ต้องห่วงล็อกบุญคําเพราะอยู่นอกเส้นทางของมันแล้วและก็เป็นที่ปลอดภยัยเอาละขอรู้จักบุญคําแค่นี้ก่อนดออรครับประโยคหลังเขาเปลี่ยนลิ้นมาเป็นภาษาอเมริกันรับฟังคุณอยู่ตลอดเวลาละรพินทุกอย่างทางด้านนี้ถูกต้องอย่างที่บุญคํารายงานคุณไปละผมขอความแน่ใจอีกครั้งนะครับดเตอร์ เกียราป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของพวกคุณอนอกจากตัวคุณเองแล้วพวกเรายังโดนเ้าอีกหลายคนน่ะกระพินผมขอยืนยันให้คุณสบายใจได้ในเรื่องนี้สเตลลีบอกมาอย่างหนักแน่นสัมภาระเท่าของทั้งหมดคนของผมได้เคลื่อนย้ายไปเก็บรวมกันไว้ที่โคนไซต้นนั้นก่อนเกิดเหตุแล้วโปรดสังเกตด้วยนะครับว่ามันยังอยู่เรียบร้อยดีหรือเปล่า หรือถูกไฟเผาบ้างหรือหรือเปล่าก็ไม่ทราบอืมระพินข้อนี้อยากจะชมเป็นพิเศษละ่ะคุณรอบคอบในทุกสิ่งทุกอย่างดีจริงๆจ้ะของของเราทุกชิ้นอยู่ใต้ต้นไม้นี่เรียบร้อยดีนี่ทําไมเคลื่อนย้ายมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้รับความเสียหายอย่างใดหรือไม่จากสะเก็ดระเบิดเฟืองที่เราใช้ตอนนี้ทางด้านเราไม่ได้ยินวี่แววอะไรของมันแล้วละ่ะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วเหลือเกิน เหมือนกระแสน้ำหลากทั้งคุณน่ะเป็นไงมั่งระพินก็เงียบกันไปหมดแล้วล่ะครับนี่พอจะบอกให้เรารู้ได้หรือยังล่ะว่าขณะนี้นายกระเบนอยู่ที่ไหนเสียงคิดถามมามั่งฉันก็ยังไม่รู้แน่ชัดเหมือนกันระพินอยู่ในอาการมึนงงก็มีความหมายตามที่บอกคิดไปเช่นนั้นจริงๆ เราสองคนก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรกับพวกหมาป่านักเราแต่เข้าไปอยู่ในแนวทิศทางที่ฝ่ายนายนระดมยิงแล้วก็ฟั้งระเบิดออกมาอย่างหนักเราก็เลยต้องหลบทั้งลูกปืนแล้วก็สเก็ดระเบิดเพลิงกันอย่างหุดหิดบังเอิญมาพบกระลำห้วยสายหนึ่งเข้าได้ไอาศัยตะเลิดหนีมาตามลําห้วยนั่นก็รู้สึกว่าจะบ่ายหน้ามาทางด้านตะวันตกของตำแหน่งที่ตั้งแคมป์คงไม่เกินสองไมครึ่งมัสังเกตดูจากเสียงวิทยุที่รับฟังได้อย่างชัดเจนเนี่ย แล้วเขาก็ให้คำอธิบายอย่างคร่าวๆในสถานที่ที่มาพักหลบอยู่ให้พวกนั้นทราบว่ามันมีสภาพยังไงรวมทั้งสิ่งแวดล้อมซึ่งแปลกประหลาดมากอันเป็นความหมายว่าได้มาพบเข้ากับหลักฐานสิ่งก่อสร้างแกะสลักด้วยฝีมือของมนุษยชาติรวมทั้งแท่นบูชาภายใต้ฐานสิงโตหมอบคู่กันด้วยซึ่งมันระบุบอกแน่ชัดเสกว่าคูเมืองฤศิลาแรงก่อกาแพงเมืองที่พบกันมาแล้วซะอีก ตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสตรวจสอบให้ละเอียดไปกว่านี้หรอกเพราะมาถึงก็เร่งด่วนฉุกกระหุกมากมีน้ำซ้ำยังมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับเบรเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เมื่อตะวันขึ้นแล้วคงจะตรวจอะไรได้ละเอียดเพิ่มขึ้นเพราะขณะนี้เรารู้แต่เพียงว่าได้เข้ามาอาศัยอยู่ใต้ซ อ, อกอกของสิงโตหินที่แกะสลักจากภูเขาเล็กๆทั้งลูกเหมือนปากทางเข้าสู่เทวไลาหรือบริเวณอันเป็นที่สักการบูชา อะไรสักอย่างหนึง่งมีร่องรอยของแผ่นดินไหวแล้วอีกหลายๆส่วนที่สำคัญปรักหักพังจมไปใต้พื้นดินเขาบอกสรุปมาท้ายประโยคขณะที่ฉายไฟดูไปตามผนังอันมีลักษณะเหมือนถ้ำเล็กๆใต้ซ อ, อกอกสิงโตหินนั้นซึ่งลำไฟฉายไม่ช่วยเห็นอะไรได้กระจ่างชัดนักทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านอยู่ในเงาสลัวลีลับ เสียงฝ่ายนายจ้างของเขาทางด้านโนน พ, พืมพรมแซดมาด้วยความสนเทประหลาดระคนตื่นเต้นใจยิ่งเฮยระพินคุณไปพบหลักฐานซากเมืองร้างที่แน่ชัดเขา้าโดยบังเอิญแทๆ้ๆนะผมเชื่อว่ามันคงจะให้ความกระจ่างกับเรามากในการหวนกลับมาสำรวจติดตามอาณาจักรดึกดําบันอันเป็นถิ่นของศัตรูร้ายของเราที่มันกาลังคุกคามเล่นงานเราอยู่ในขณะนี้ แตนลีร้องบอกมาโดยเร็วก็ขอรับทราบไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเรายังทําอะไรไม่ได้จนกว่าจะรอให้ตะวันขึ้นสั ก, ก่อนเท่านั้นผมเองตอนนี้ก็ยังไม่อาจจะขยับขยื่นไปไหนได้ทั้งสิ้นคุณมีข้อแนะนํายังไงมั่งสําหรับทางเราฝ่ายนี้บอกมาแล้วกันคริสติน่าถามแทรกมาเอาเป็นว่ารออีกสักครู่พอย่แน่ใจ ว่าจะไม่มีอันตรายจากการย้อนกลับมาของไอหมาป่ากระหายเลือดพวกนั้นแล้วพวกคุณทุกคนก็กลับลงมานอนกับพื้นข้างล่างตามเดิมหรือเวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะสว่างผมอยากให้ทุกคนพักแต่วันขึ้นเมื่อไหร่จึงค่อยย้ายขบวนทั้งหมดมายังตำแหน่งที่ผมก็เบนอยู่ขณะ น, นี้ให้คนของผมนำทางมาก็คงจะไม่ยากอะไรนักเพราะเรามีวิทยุติดต่อทดสอบทิศทางกันได้อยู่แล้ว งั้นขอถามอีกครั้งนะขณะนี้สภาพของเบนเป็นไงมากงระพินเสียงของแม่ผมทองเต็มไปได้วยความห่วงกงังวลต่อเพื่อนสาวร่วมคณะอย่างแท้จริงก็ดูว่าจังหวะลมหายใจแล้วก็ชีพจรดีขึ้นนะคุณภายหลังจากการฉีดยาแล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึกตัวดใดๆทั้งสิน้นแล้วก็อาจจะหลับสนิทอย่างนี้ไปตลอดจนกว่าคุณจะเดินทางมาถึง และดำเนินการอะไรคืบหน้ากว่าที่ผมได้ทําหน้าที่ปฐมพยาบาลไปแล้วอ่ะนี่คุณฉันขอบอกให้ทราบนะถ้าฉันไปถึงตัวเบนเร็วเท่าไหร่เบนจะปลอดภัยขึ้นเท่านั้นผมเข้าใจแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วไงมันอันตรายมากในการที่คุณจะบุกบัน่นแสวงหาตําแหน่งที่อยู่ของเราตอนเนี้เบนอะอย่างน้อยที่สุดก็ปลอดภัยได้ชั่วขณะแล้ว หวังว่าคุณคงจะไม่สร้างปัญหาซ้ำซ้อนในผมอีกนะการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผมหรือไม่ถือปฏิบัติตามให้เคร่งครัดมันพิสูจน์บรรพบครั้งไม่ทั่วแล้วว่ามันมีแต่ผลเสียเสียงของเขาเกรียมขึ้นอย่างคืนนี้ก็เหมือนกันถ้าทุกคนฝ่ายคุณยอมเชื่อฟังผมซ ะ, ตะ แ, แต่แรกไต่หนีขึ้นไปบนต้นไม้เอาความปลอดภัยอยู่แน่นอนไว้ซะก่อนนับตั้งแต่กองทัพหมาพวกนั้นมันใกล้เข้ามา เราก็จะไม่ลําบากกันถึงขนาดนี้นี่ทุกคนตักหลักอยู่ข้างล่างได้ห่วงแต่เพียงต้องการจะยิงปะทะช่วยฝ่ายผมไว้ซึ่งมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยจะมีก็แต่เกิดความภาวะพะ ว, ะวงังหวงหน้าหวงหลังแล้วก็พอถึงคราวจวนเจียนขึ้นจริงๆก็แทบจะหนีขึ้นต้นไม้ไม่ทันข้งเบียนก็แตกพวกแตกหมู่หนีกระเซาอกระเซิงไม่รู้ทิศทางออกมาคนเดียวจนผมต้องตามติดมนันี่เห็นกันแล้วยังว่าผลเสียมันมีมากกว่าผลได้ ฉนก็ไม่รู้จะพูดยังไงถูกเหมือนกันละ่ะคริสบอกมาด้วยน้ําเสียงอ่อนลงในความรู้สึกของคุณน่ะพวกเราก็มักจะปฏิบัติตัวผิดอยู่เสมอละเมื่อเกิดภัยอันตรายใดๆขึ้นพวกเราก็พร้อมที่จะต่อสู้ยืนหยัดอยู่เคียงข้างฝ่ายคุณน่ะไม่จะพลาดเหนียตัวรอดมันก็เป็นสิ่งที่คุณไม่พอใจที่อ้างว่าไม่ปฏิบัติตามคําสั่งมั่งละ่ะขัดขวางไม่ให้ฝ่ายคุณทํางานได้ถนัดมั่งะ ทั้งๆที่เราก็พร้อมที่จะเผชิญเคราะการรมร่วมกับคุณในทุกลักษณะคุณเคยตั้งแง่กับเรามาก่อนในระยะทางต้นๆแล้วว่าพวกเราเป็นฝ่ายเห็นแก่ตัวบอกมาดีจะเอาอยัางไงแน่ท่านชุภาพบุรุษเราต้องการความกล้าหาญและร่วมมือช่วยเหลือจากพวกคุณคริสแต่ต้องถูกต้องกับกาลเทศะด้วยการพยายามจใจความช่วยเหลือ โดยไม่สอดคล้องกับเวลาและสภาวะการน่ะมันยิ่งทำให้เกิดอุปสรรคความคล่องตัวทั้งหลายถูกถ่วงระวิงลงคุณก็ไม่จชคุณโง่นะคริสคุณย่อมจะต้องรู้ในสิ่งที่ผมพูดในดีในบางสถานการณ์ถ้ารวมกันเราอยู่แยกกันเราต่างคนต่างตายแต่อีกห ล, หลายสถานการณ์เหมือนกันถ้ารวมกันเมื่อไรเราก็กอดกันตายทั้งนณะโดยไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับมาช่วยเหลือกันได้ คุณผ่านหลักสูตรคอมมานโดมาแล้วนี่คุณต้องรู้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและเหตุการณ์ไอจะถือเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวมันไม่ได้นะแล้ว อ, อย่ามาโต้เถียงทะเลาะอะไรกันในเวลานี้เลยผมก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะตำหนิตีเตียนอะไรพวกคุณตอนนี้ด้วยเรารู้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วว่าคืนนี้มันหนักแน่เอาี้ประมาณสักห้านาฬิกาใกล้รุ่ง เหตุการณ์ปกติเรียบร้อยดีไม่มีอะไรมาราวีเข้าอีกคุณกบุญคําก็เดินทางล่วงหน้ามาที่ผมนี่ก่อนได้ไหมเพื่อคุณจะได้มาดูแลเบรแล้วพอตะวันขึ้นค่อยจันนำพวกเราทั้งหมดตามหลังมาอีกชุดนะึงคุณอายุคุณอนุญาตอย่างนั้นใช่ไหมใช่ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ขอย้ำนะว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เพราะอะไรก็อยากให้ต้องพูดซ้าตกลง คริสบอกมาสั้นๆดรสตาลีคิดแล้วก็เชอดวูดทั้งสามคนน่ะเข้าใจตามที่ผมบอกกับคริสติน่าแล้วใช่ไหมเขาประกาศฐานย้ำออกไปเพื่อซักซ้อมความเข้าใจโอเคเราได้ยินตลอดแล้วและจะปฏิบัติตามที่คุณสั่งโดยให้คริสกบุญคำล่วงหน้าติดตามคุณไปก่อนในเวลาเช้ามืด หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์รับมาเฮ้ยแล้วนี่จะให้เราลงจากต้นไม้ได้ยังอันเนี่ยระพินคิดสอดถามมาเสียงเห้าๆขอ้ทุกคนฟังตามข้อพิจารณาของบุญคำแล้วกันถ้าแกบอกว่าไ้ลงได้ก็ลงแต่ถ้าแกยังไม่ลงก็อย่าพึ่งลงผมเองก็ไม่รู้ดีไปกว่าบุญคำหรอกเพราะไม่ได้อยู่ในที่นั้นขณะนี้ แล้วผมก็ขออนุญาตเลิกการติดต่อชั่วคราวนะถ้าไม่มีกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ที่จะต้องรายงานให้แต่ละฝ่ายรับทราบยังไงก็ขอพักการใช้วิทยุแค่นี้แล้วกันคุณพักได้แล้วระพินฝากเบนไว้ด้วยนะเช้ามืดตามเวลาที่ตกลงไว้เมื่อคริสติน่ากระบุญคำจะออกเดินทางเมื่อไหร่จะวิทยุเรียกไปยังคุณอีกครั้งนะึงขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณกระเบนด้วย สเตนลีให้คำสั่งมาครับขอบคุณครับเลิกนะครับเขาตอบเป็นประโยคสุดท้ายแล้วปิดสวิตช์เครื่องค่อยๆถไหลตัวลงนอนราบกับพื้นข้างๆเบลผู้นอนหมดสติอยู่วางวิทยุไว้ใกล้ตัวโดยไม่สนใจว่าไฟเล็กๆที่ก่อไว้จะมอดดับลงพลานใหญ่เอื้อมมือไปปิดสวิตช์ไฟจากแบตเตอรี่ อันเปิดสว่างเบาบางในแวดวงจำกัดนั้นให้มืดสนิทลงไฟฉายกับเอ็มกวางไว้ใกล้มือจากนั้นเขาก็พลอยหลับไปอย่างอิดโรยเหนกเหนื่อยเหตุการณ์ทั้ ง, งหลายที่เกิดขึ้นทางด้านของรพินไพรวันดังกล่าวนี้มันเป็นเวลาก่อนหน้าที่จอมผีดิบมันไรผู้ขมังเวก จะได้นำกายของมันไปปรากฏแก่ดารินวราริศซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่อดีตราชปุโรหิตมันไรแห่งนิทรานครได้นำเอาความหลังอันลี้ลับซับซ้อนจากอดีตการนานแสนนานอันเกี่ยวพันกับความเป็นมาของจิตรางคนางและอัคคณิรุธมาเปิดเผยให้มกุฎราชกุมารีผู้ชาตินี้มาเกิดเป็นหม่อมราชวงศ์ดาริน แห่งราชสกุลวาราริตได้มองเห็นเป็นภาพพจน์โดยกระจ่างรวมทั้งเรียกร้องสัญญาคำมั่นที่เคยให้ไว้แก่กันแต่หุนหลังและขออัญเชิญเสด็จจิตรางคนางให้กลับคืนสู่ราชฐานเดิมที่เฝ้ารอคอยอยู่โดยให้สัจวาจาว่าถ้าแม้ยินยอมตามความต้องการของมันตรแล้วไซจะไม่ใช้อิทธิฤทธิกริตรยาอาคมใดๆเข้ารังควานอัคนิรุธ ผู้กลับชาติมาเกิดเป็นระพินไทรวันในชาตินี้อีกเลยโดยจะเปิดทางสะดวกให้ตลอดราตรีน่าสยองนี่แหละที่ดารินตกปากรับคำกำมันตรายว่าจะยินยอมไปด้วยทุกหนทุกแห่งขอเพียงอย่างเดียวมันตรายจงยุติการก่อกวนรังควานใดๆแก่ระพินโดยสิ้นเชิงซึ่งจอมปุโรหิตผู้กลายมาเป็นวิญ ญ, ญาณร้อมตะ ก็ได้รับปากไว้อย่างมั่นคงดังนั้นเพดานหินที่สูงขึ้นไปเหนือร่างของรพินกับเบลอันเข้ามาอาศัยอยู่ภายใต้พโพรงของภูเขารูปสิงโตหมอกซึ่งปริราวเตรียมที่จะถล่มลงมาทับร่างของทั้งสองอยู่แล้วเพียงแค่พลังใดมาช่วยสั่นสะเทือนอีกเพียงนิดเดียวทั้งพลานใหญ่ผู้มีนามว่ารพินไพรวันและนายจ้างสาวอเมริกัน ผู้มีนามว่าอิสเบลก็คงจะถูกกลบร่างไว้อย่างสนิทโดยไม่มีใครค้นพบซากอีกเลยจึงหยุดชะงัดและทรงตัวอยู่ในสภาพเช่นนั้นโดยไม่พังทะล่มลงมาเปิดโอกาสให้บุคคลทั้งสองมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้ภายใต้กับดักที่เตรียมจะบดขยี้อยู่แล้วจากฤทธิ์เดชอันเกรียงไกรของจอมผีดิบผู้ขมังเวท ดารินได้ช่วยชีวิตชายคนที่หล่อนรักไว้แล้วโดยไม่รู้ตัวระพินรอดจากภัยพิบัติได้อย่างไรเขาก็จะไม่มีโอกาสได้รู้ตัวเลยและไม่มีโอกาสทราบสักนิดว่านัดสถานที่ซึ่งเข้ามาหลบพักอยู่ในขณะนี้แท้ที่จริงหายนนะแห่งชีวิตได้รอคอยต้อนรับอยู่แล้ว ถ้าแม้ว่าข้อตกลงระหว่างดารินกับมันไตรเนื่นช้าออกไปแม้เพียงแค่เสี้ยวของขนาดจิตเท่านั้นเหตุการณ์และช่วงระยะเวลาในราตรีเดียวกันมันได้มาประสานสัมพันธ์สอดคล้องต่อเนื่องกันประดุดลูกโซ่ด้วยประการชนนีณัตดนี้ เป็นที่แน่แท้ระพินไพยวันหลับสนิทและแล้วแผ่นภาพนิมิตก็ย่างเข้ามาสู่ในความฝันในความฝันนั้นเขาได้ลุกขึ้นมาจากสถานที่อันนอนอยู่เหมือนหนึ่งจะเป็นดวงปราณแยกออกมาจากร่างที่นิ่งสนิทเป็นการขยับกายลุกขึ้นมาอย่างเช่มช้าและขึ้นมายืนรังงานเหลียวกลับไปมอง เห็นภาพของตนเองในชุดพรานปลาคงนอนงายเย็ดยาวอยู่ที่เดิมแล้วที่นอนอยู่นั่นคือระพินไพรวันแน่นอนแล้วที่ขึ้นมายืนอยู่นับบัดนี้เล่าคือผู้ใดมือแตะไปที่เอวอันเป็นตำแหน่งแขวนมีดโบวีคุณพระช่วยมันกลายเป็นดาบไปซะแล้วที่ข้าติดเข็มขัดหนังเส้นใหญ่ มือทั้งสองตะครุบไปที่ซวงอกประหลาดแท้มันกระทบเข้ากับเก็ดของเกราะอ่ อ, อนอันทาด้วยเงินยวงสองประกายวาวระยับคลําแผ่นหลังแทนที่จะพบเป้เดินปา่ากลับพบเข้ากับกระบอกบรรจุดอกศรและคันธนูผูสาคลุมอังสาปลิวสะพัดพริวปลอกแขนหนังประดับโลหะ เอเบื้องซ้ายเน็บมีสั้นฝักทองเครื่องแต่งกายยามนี้มันผันเปลี่ยนไปหมดสิน้นพยายามคำเณนมองจ้องไปยังร่างที่ตนเองพละลุกขึ้นมานั้นพรานป่าที่ชื่อระพินไพยวันสลายไปซะแล้วไม่หินอะไรอีกเลยทั้งสิน้นนอกจากโขดหินและสายทานเล็กๆหน้าเวิงถ้ำอันวิจิตรการตาแห่งหนึ่ง เสียงม้าสะบัดขนคอและร้องเบาๆอยู่เบื้องหลังหันขวาบไปก็พบม้าสีกะเลี้ยวตัวหนึง่งติดเครื่องสึกพร้อมกำลังเต้นเยาะๆๆะะะส่งเสียงร้องเหมือนจะเตือนอยู่หอกสั้นติดประจำอยู่ข้างอานมานั้นถูกผูกอยู่กับกิ่งพึกษาใหญ่เตีย้ยเตี้ยรอบด้านเต็มไปด้วยพันไม้ป่าอันชูช่อสะพรั่งผู้สกุลในชาติและเหล่าผีเสื้อลากสี อั่งบินว่อนเวียนวนกระโจมทหารปลูกเรียงรายมองเห็นออกไปเป็นระยะเต็มไปหมดเขายืนพินิษนิ่งไปอย่างทัศนะภาพนั้นบัตรนั้นมีเสียงฝีเท้ามาประมาณสามตัวเหอะเข้ามาใกล้แล้วก็ปรากฏรับมุมกระโจมพักที่ใกล้ที่สุดตรงเข้ามาเมื่อไหร่ขุนศึกชะกันสามนายก็โดดลง แล้วตรงเข้ามาถวายคำนับใต้ฝ่าพระบาทมาประทับอยู่ที่นี่เองพระเจ้าค่ะหนึ่งในจำนวนสามเอ่ยขึ้นจำได้แน่นอนนั่นคือวัชระขุนศึกคู่พระไทยของพระราชบิดาทางซ้ายนั่นเกาะพยุหเทพและเบื้องขวาผู้มีผมสีดอกเหลาคือสหพรม แม่ทับมารักษาพระองค์บุรุษในเกราะเงินยังคงยืนนิ่งดวงเนตรมองจับเข้าไปในช่องคูหายหินอันรการตาณสถานถิ่นนี้กราบชั่วชีวิตดับข้าจะไม่มีวันลืมเลือนได้เลยริมฝีปากนั้นเผยยปล่อยกระแสเสียงแผ่ว ข้าและจิบปรางคานางได้ขึ้หลบพายุฝนเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วยกันในถ้ำทองแห่ง น, นี้อับคณิรุธผู้ตำศักกับมกุฎราช ก, กุมารีแห่งมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ไพศาล ย, ยิ้มยันกับตนเองนี่ทั้งคู่รีโรยลงกระซิบต่อ สิ่งที่ผ่านมาแล้วมันเป็นเพียงแค่อดีตในฝันเท่านั้นแต่บัดนี้ข้ากำลังจะต้องนำราชบรรณาการและกองทัพของปัญจาลเข้าไปถวายสักการะแก่ไม่ยอดสเสนหาผู้นั้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของนางขณะที่นางประทับอยู่เหนืรอราสนรูจี แวดล้อมไปด้วยหมู่อาิราชเจ้ากษัตริย์ราธิราชน้อยใหญ่อันเป็นอาณาจักรบริวารซึ่งมันเป็นวาระเดียวกันกับที่มีข่าวพระชนกของข้ากำลังประชุมหนักวัชระพยุหเทศและสหพรมบอกข้ามันหน่อยสิบอกข้ามันหน่อยว่าเหตุใดข้าจะต้องกระทำเช่นนั้น ทั้งสามขุนพลนิ่งขึงชั่วขณะหนึ่งอักคนิรุษหันขวับกลับมาน้ำพระเสียงเครียดขึงมาเร็วที่ติดตามมาให้รายงานข่าวประชวนของพระราชบิดานะ่ะเป็นยังไงไ ม, ไมั่งอาคารประชวนในครั้งนี้แพทย์หลวงบอกว่าหนักมากพระเจ้าค่ะ แต่พระราชาบิดาก็ได้มีกระแสรับสั่งมาว่าให้พระองค์ปฏิบัติภารกิจแทนเท้าเธอจนเสร็จสิ้นลุล่วงไปนั่นก็คือเสด็จข้าวให้ถึงนิตรรศนาครและอยู่ร่วมในพระราชพิธีเฉลิมฉลองจนสุดสิ้นซะก่อนแล้วจึงให้เสด็จกลับก็แล้วท่าจะหันหลังกลับส บ, บับนี้ล่ะ ถ้าเช่นนั้นปัญจาละก็จะกลายเป็นขบฏต่อมหาอาณาจักรใหญ่ไปในทันทีพระเจ้าค่าะ เ, เช่นนั้นเหรอเมื่อเขาจะกล่าวหาว่าเราขบถก็สุดแล้วแต่ทางฝ่ายเขาจะพระชนกของข้าซึ่งประชวนหนักอยู่ขณะนี้ย่อมสำคัญเหนือกว่าอื่นใดทั้งสิ้นสาพรมพระเจ้าค่ะ นี่คือคำสั่งของข้าเราจะเคลื่อนกองทัพม้าของเรากลับสู่มาตุภูมิณักบัดนี้ราชบนาการที่ตราเตรมาให้ทหารหนึ่งกองร้อยนำเข้าไปถวายแดอองมากราชากุมารีพร้อมทั้งทงยุพ ร, ราชประจำตัวค่ใต้ฝ่าพระบาททำตามคำสั่งของข้าโดยไม่มีข้อแย้งใดๆทั้งสิน้น เป็นกระแสรับสั่งที่แน่วแน่และเฉียบขาดยิ่งณปางนั้นอดีตย้อนหลังกลับไปอีกไม่นานนักบนหลังอัดสดงผู้สูงใหญ่พ่วงพีที่พกผลมาในราวไพร ล, ลึกเพราะกระแสวาตาอันรุนแรงพัดกระหน่ำจนขบวนตามสเสด็จแตกระสำระสายไม่อาจตามได้ทัน ด้วยผงคลีตลบคลุ้งมืดมนไปหมดนางผู้อยู่บนหลังม้าศึกผู้นั้นมีเส้นเกษาดำคลับมันระยับประหนึ่งขนกาน้นาเป็นดารุณีผู้มีสิริลักษณ์เนตรคมกริบดุดคมกริบภายใต้ม่านแพรของขนตาเงือโสมตลอดวงเพนพักและบวรากายนางจะหนักได้ดีว่าม้าพาตะเลิดมาไกลาจากกองทหารที่ตามเสด็จ และผิดทิศทางออกไปลิบลับแล้วกว่าจะลงแท้บังคับม้าขนองให้พกผลเท้าหน้าขึ้นและสงบนิ่งอยู่กับที่ได้แวดล้อมรอบกายบัดนี้เป็นป่าทึบทะมึนมืดตะวันรอนอ่อนอัดสดงลงแล้วในวาระนั้นธนูล่าสัตว์ที่ถือติดหัดอยู่ ได้หลุดร่วงหายไปที่ใดไม่ทราบได้ก็คงตอนที่มาตื่นแล่นเตลดิดไม่รู้ทิศทางฝาเข้ามาในดงไม้นั่นเองหลายต่อหลายครั้งที่นางเกือบจะพลัดล่นจากหลังมาพยศตื่นแต่ด้วยความเป็นเอตทักคะในเชิงอัศดรมาตั้งแต่ยังอยู่ในวัยกูมารีมันไม่สามารถจะสลัดนางให้พลัดล่นลงมาได้สง่างาม ปราดเปรียวเยี่ยงขัตติยนารีผู้สูงสักและคมดาบอันรวดเร็วฉับไวของนางลือลั่นไปทั่วปฐพีว่าสามารถจะกวาดแกงดับเปลวไฟบนปลายเทียนให้ดับได้สิ้นเชิงเทียนภายในชั่วพริบตาโดยเทียนจะมิกระดิกไหวเลยแม้แต่เล่มเดียวจนเป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วแผ่นดินว่า ดาบเล่มที่คมที่สุดคือดาบในหัดของจิตกลางคนาเนตที่คมที่สุดคือเนตที่เจอจระสอยู่บนประภัยพักของจิตกลางคนาบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือบัลลังก์ที่อยู่ภายใต้อุ้งบาท ของจิตกลางขนาดมกุฎราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรนิทรานครผู้เป็นอิ ส, สตรีแต่เฉพาะสรีระและนางก็เพิ่งจะแรกรุ่นดารุณีพ้นวัยพงพานมาชั่วไม่กี่ขวบปีเท่านั้นบัดนี้ นางหลงป่าแล้วพลัดจากกองทหารและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จทุกคนนางเป็นดารุณีก็จริงแต่หาใช่ดารุณีน้อยไม่หากแต่เรือนกายสะพรั่งไปด้วยเลือดสาวอันกรอบไปด้วยพร ะ, ะกำลังและสวดทรงอันสูงสง่างามพ ง, งาดเยี่ยงราชสีสาวขณะที่ชักม้าพกผัน เพื่อจะสังเกตหาทิศทางหยกขโยกเรียบใกล้หน้าผาสูงความเงียบสงัดของเราไพรก็พลันกระหึ่มสะเทือนก้องขึ้นด้วยเสียงพยัคฆราตมาตรนกร้องก้องยกขาหน้าขึ้นเงาดำสลับเหลืองมาหือมาผลพุ่งกระโจนลงมาจากเบื้องหลังเกินกว่านางจะไหวตัวได้ทันพลันมีเสียงหวีดแหวกอากาศมา พร้อมกับเสียงคำรนนั้นถนูดอกหนึ่งพุ่งมาจากที่ใดไม่ปรากฏสวนเข้าหาพยัคฆ์ไรซึ่งกำลังเสแยเขี้ยวกลางเล็บแล้วก็เสียบสลักก้านคอทะลุจมเหลือแต่เพียงส่วนโคนอันเป็นขนนกร่างของนางถูกปะทะกระเด็นล่วงจากหลังมา้าที่เล่นเตลิดไม่รู้ทิศทางลงไปกลิ้งอยู่กลางแผ่นธรณี ที่เกลื่อนไปด้วยใบพริกพยักใหญ่นั้นก็กลิ้งฝุ่นตลบอยู่ใกล้ากายพริกดิ้นสะบัด ต, ตะกายดิ้นอยู่เพียงแค่อึดใ จ, จก็แน่นิ่งด้วยคมธนูจิตรางคณางยังคงนั่งราบเบิกเนตรลึงอยู่ณพื้นนั้นมองเสือที่นอนสิ้นฤทธิ์อยู่ใกล้ากายแล้วก็หันมองไปโดยรอบอย่างพิษสวง